ต่างใจฟังกันแป๊น่งเวลาไม่น้อย <c oughs> วันนี้เป็นวันชาติมงคลเป็นวันยุดเป็นวันพ้าวันที่เราเรียกกันอะไรแหละ เป็นวันเราสมมุติไม่ใช่วันพระเองถ้าไม่มีวันสมมุติพวกเราไม่มีวันหยุดถ้าไม่มีคำบอกพระพวกเราก็มนจุกคำมาวันพระได้เห็นนึกถึงวันพระบ้างวันนี้เป็นวันใครมันเกิดวันแนนร้องแนนวัน มันเจอกับคนโกรนนะเป็นยังไงมาตรฐานที่ราชาววันนี้ <c oughs> เราเราฟังนิดหนึ่งเรื่องไปค้นดอยเราได้อะไรที่เคยไปก็ดียังไม่เคยไปก็ดี เปนอนมาโดยสองคืนหว่างสุดาเลิกเพื่อสางสลาหลังใหม่เป็นสถานที่ที่เคยอยู่เมื่อ36สิบหกปีที่แล้ว <c oughs> เราคนไม่เคยไปมาใหม่ก็ยังไม่เคยไปโอเทสภาพสิ่งแวดล้อมทุกเรื่องเรามาพูดถึงจะมือว่า ทุกอย่างที่เราเห็นผ่านตาหูตาตาทัาง้งหมดางกายโอเป็นอวิกคือน้อม ก, ก็หาคือมองเป็นธรรมะคิดให้เป็นธรรมะระหว่างเขาอยู่ข้างบนเราอยู่ข้างล่างเทียบกันระหว่างปัจจัยสี่ขเขาแตกต่างกันอย่างไรปัจจัยสี่คือ สิ่งก็จำเป็นที่มนุษย์ต้องการคืออาหารเสือผ้าอรรที่พักอาศัยยาส า, าโรคาศาสตร์พรอง่ายๆรทสี่อย่างนี้เราดิ้นรนค้นขวัญเราหาสตุงสตั๊มาก็เพื่อปัจจัยสี่นี้ ปฏจกิสิบมาเพื่ออะไรเพื่อมาสนองความต้องการของตัวเองของมนุษย์หลักๆประมาณ น, นั้นที่เราขึ้นไปดูเราได้มองเห็นสัจธรรมเมื่อสมัยหกสามสิบหกปีที่แล้วตอนที่ไปอยู่ป่าเขาขําเราไป ป่าชื้นทึบสิงสรื ร, าารอารสัตว์เก่งกวางโม่ป่าเยอะแยะมากมายเป็นธรรมชาติตอนนี้ก็มันหัวพระตอนนี่โลนทำไมเพราะอะไรสามสิบกว่าปีทำไมบรรยากาศเปลี่ยนไดขนาดนั้นไม่เป็นธรรมชาตินี่เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์ <c oughs> ลักษณะศาสตร์เราโอ่โสงค์อุบทานหมายความว่าที่ทางที่จะมาหากงินมันเท่าเดิมแต่คงเงินเพิ่มหมายว่าคนต้องการความต้องการเพิ่มขึ้นแต่ของยังเท่าเดิมง่ายอย่างนี้ตายก็คือมันไม่พอความต้องการของมนุษย์ ตัวจริงต้องบริหารจัดการสิ่งเหล่านี้้เป็นระบบให้เป็นระเ บ, บียบเหมือนสินค้าทําไมบางอย่างมันแพงมันไม่ใช่เพราะแพงมันเป็นของดีเพราะของมีน้อยบางของผลิตมาไม่ขี่ชิน้นแต่ความต้องการของคนเยอะกว่ามากกว่ามันก็เลยแพงอืเป็นที่มาของอุปสงค์อุปทาน ทอนนี้ทำยังไงถึงจะพอดีพอดีกับความต้องการคำตอบก็ไม่มีเพราะความต้องการของมนุษย์มันนึกเคยมีสิ้นสุดมันไม่เคยพอถามมามากเท่าไหร่ถึงจะพอไม่มีใครตอบได้มีเงินเท่าไหร่ถึงจะพอตอบไม่ได้เศรษฐีมีเงินหมื่นล้านมันก็นยังไม่พอการที่คนระดับล่าง มงินแสนก็ยังไม่พอในขณะดแค่คนมืน่นแสนเพียงพอกับเขาต้องการเกับการดึงชีวิตเพราะนั้นเงินแสนกับเงินหมื่นมันไม่ต่างกันเงินร้อยเงินพันเงินหมื่นไม่ต่างอยู่ที่คนใช้อยู่ที่ความพอใจอยู่ที่ความยินดียเรียกว่ายินดีสิ่งที่ตนเองได้พอใจในสิ่งที่เองมี เองมีอะไรก็ยินดีพอใจแค่นั้นไม่แต่ร่างกายถ้าไม่ยินดีไม่พอใจก็ไปทำใหม่ตรงไหนที่คิดว่ามันไม่ดีมันไม่ชอบโหตายจมูกปากไปกรีดมันไปเสริฟไปเติมไปเพิ่มเพราะไม่พอใจไม่พอใจคือใจมันไม่พอคือไม่ยินดีในสิ่งต้นัานจริ่งตนนี้ เพร น, นสิ่งที่เรามีอยู่ที่เป็นธรรมชาติมันน่าจะเพียงพอแล้วมนุษย์สนัยดึกดําบรรตั้งแต่ดึกดํามันเรียกว่าไม่มีศาสนาเราพูดกันยอ้อนไปสองพันกว่าปีสามพันปีห้าพันปีมนุษย์สมัยนั้นเขาอยู่กันยังไงก็อยู่กับความเชื่อความเชื่อก็ไม่ได้เชื่อเหมือนเราทุกวันนี้ เชื่อว่ามีสังสิทธเชื่อว่ามีสิ่งที่มองไม่เห็นบันดลบนนันดาลจึงเกิดความกลัวหรือว่าภัยพยายามทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้เกิดภัยกับตัวเราเองกระตัวมนลดจะเรียกว่าการบูชาการยอมบูชายันแม้แต่เอาชีวิตของคนอื่นก็อยอมเพื่อให้สิ่งที่มองไม่เห็นยอมเรา อันนี้คือความเชื่อสุดท้ายยอมจะนนต่อธรรมชาติยอมแต่ม น, นุษย์ลุกยุกหลังๆเริ่มมีความเชื่อเริ่มมีศาสนาจะเรียกว่มมาศาสนาอะไรก็แล้วแต่ราก็เริ่มมีหลักพูดอย่างง่ายๆมีคำสอนมีคนสอนมีวิธีสอนเริ่มคิดได้บางอย่างเช่นธรรมชาติที่เราเข้าใจกันเอาชนะไม่ได้มันไม่ใช่ล้ จะมีเกิดการพัฒนาจากความคิดนี่แหละเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนความคิดดินฟ้าอาการเครื่องย น, นกลไกที่เรามีอยู่ก็ผลิตคิดค้นขึ้นมาคือเคิเสียน้ามือของมนุษย์นี่แหละก็จามันสมองของมนุษย์จนสุดท้ายที่ไดาเออธรรมชาติบางอย่างมันเอาชนะได้เป็นบางอย่างมันเอาชนะไม่ได้แต่บางอย่างเราปรับได้ ชนะได้ขึนเครืองไม้ขึ้นมือขึ้นจนไกลใครจะไปคิดว่าล อ, อยู่บรอากาศได้ใครจะไปคิดจะอยู่คนอยู่ที่นี่อเมริกาคุยกันได้เห็นกันได้ใครจะไปคิดสมัยก่อนคิดไม่ได้แต่สมัยทุกวันมันท ม, มได้มันเป็นไปได้นี่คือสมองสมองของมนุษย์เพราะนั้นธรรมชาติบางอย่างเราเอาชนะมันได้ รวมความแล้วก็คือเรามาดูที่พุทธศาสนาของเราศา ส, สนาอื่นเราไม่ไมนไปแต่ตองเขาเรื่องความเชื่อที่มีผู้สร้างไม่มีผู้สร้างเราไม่ว่ากันเอายุคพุทธิจารของเราสองพนกว่าปีมนันี้ก่อนนั้นก็มีความเชื่อเหมือนกันะคือมีผู้สร้างเรือเป็นกระพริบคือหน้าตาเป็นไงไม่รู้ก็เลยเอาความ ควมวิารสีก็คือเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขาเราคิดว่าพมันมีสีหน้าผู้จ็เอามาใช้เป็นพุทธะของเราคาว่าพมสีหน้าก็คือมันต้องมีเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขาครบสีอย่างเรียบสีหน้ามันเป็นนามาธรรมควาเมตตาเป็นนามาธรรมกรุณาุมิตาอุเบกขา มันเป็นนามธรรมจะเอารูปธรรมไม่ได้แต่พวกถือพรมเขาก็จะเอาปั้นหน้าสีหน้าทางสี่ทิศดูยังไงเขาแสดงว่ า, ารพรมท่านไม่นอนพกมท่านไม่นอนถ้านอนก็ไม่รู้จะควมหน้าไปทางไหนเออธรรมนุษยคิดได้นะเออท่านมีสีหน้าแสดงว่าท่านนั่งตลอดท่านไม่นอนเหมือนพวกเราก็ถ้านอนรู้ก็ต้องมีคออมหน้าลงละ ใครไม่เคยนอนความหนาลองดูจะหายใจทางไหนนี่เป็นเราพูดเพื่อให้เกิดความคิดเพื่อให้เกิดปัญญาสุดท้ายเพื่อให้เกิดปัญญ า, า, ญญานั่นเองเพราะฉะนั้นพรอมในความหมายตางพุทธศาสนาของเราคืออันหนึ่งคือคนแตเราต้องมีเมตตาเมตตาก็เช่นเดียวกันส่วนใหญ่เราจะขอคนอื่นเมตตาเรา ถ้าาวใจเรามีเมตตาไหมมีศาสนาของเราสอนเด็กๆบางทีคือบาอาจารย์สอนเด็กยบางทีคือขอเมตคำว่าเมตตาคําเดียวหนึ่งถ้าใจเราไม่มีเมตตานี่ยไม่มีทางคนอื่นที่ไปแผ่เมตตามันไม่มีทางมันเป็นไปไม่ได้เราอยู่เท่ากลางสัตว์เท่าไรเราไปขอเมตตาเขาได้ไหมมันไม่มีมันทําไม่ได้ แตล้ควคามเมตตาถ้าเคกิดขึ้นกับตัวเราก่อนคือให้ตัวเรามีเมตตาก่อนปเปรียบเทียบไปฟังอยู่เสมอเหมือนกับเรามีสตังก่อนคนที่เอาสตังให้คนอื่นเขา เ, เราต้องมีก่อนอยู่ในกระเป๋าเราต้องมีมากน้อยมันต้องมีแต่สตังเรามีน้อยก็เราก็ให้ตามน้อยให้มากไม่ได้เมตตาเหมือนกันอยู่ที่จิตเราจิตเราไม่มีเมตตาใครเลยแล้วก็บอกแต่เมตตาเมตตานะ หรือเมตตาตมีแต่มันน้อยมีไปเยอะหรือเมตตามีแต่มันจํากัดเช่นรักครอบครัวคนใกล้ตัวสัตว์ประหลาดก็รักเฉพาะตัวที่เองเลี้ยงดูอันนี้คือเรียกว่าจำกัดไม่ใช่ไม่มีมีแต่มันจํากัดความเมตตานะั้นมันจํากัดอันนี้ตัวอย่างงา่ายๆแค่ข้อเดียวเมตตาก ร, รุณาเหมือนกัน ปนาคือความสงสารความเอ็นดูคาความหมายคำว่าความสงสารนัคือเอ็นดูเอ็นดูคือคิอคดอยากจะช่วยให้เขาพ้นจากสิ่งเหล่านั้นพ้นจากสิ่งที่เขาทุกอย่างลําบากคํควาว่ากรุณาแต่กรมมุณาโมทิตาคือให้ใจเราฝึกหัดให้ยินดีกับคนอื่นบ้างเวลาทําความดีทําคุณประโยชน์ จะ่ไปอาฆาตมาร้ายหรืออิจฉาตาร้อนแค่สแสดงความเปนดีด้วยจึงเป็นคําว่าอนุมัตนาก็ยินดีนี่แหละคำว่าอนุมัตนายินดีด้วยแค่นี้ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยถ้าจิตเรายินดีด้วยเพราะเห็นเกิดเขาได้ดีหรือเขาพูดดีทําดีเจอที่ดีกันเราแค่อนุมัตนาก็ใจก็เป็นกุศลแล้วใจก็เป็นบุญแล้ว ทีนี้ถ้าเราทำทั้งหมดเมตตาไปแล้วกรุณาก็แล้วมุทิตาไปแล้วถ้าช่วยไม่ได้ก็อุเบกขาคือทำตัวเป็นกลางใจ่ว่างคือว่างว่างอารมณ์นั้นนนี่คือว่าพรหมิหารถ้าเราใช้ได้ในชีวิตประจำวันชีวิตประงำวันเอาคนนี้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันว่างว่า วันนี้เราควรจะใช้เมตตากรุณามุ่ิตาเบิกขากับใครเรื่องอะไรอย่างไรในชีวิตประจําวันนี่แหละคือธรรมะธรรมะในชีวิตประจำวันต้องทมว่าเมตตากรุณาเมื่อตาเบิกขาเราก็จําได้แต่ชื่อคือเพียงแต่ชื่อแต่ในทางปฏิบัติมันไม่มีเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมคือการภาวนาตอนนี้มันมันมันเป็นธรรมะทันที อย่างที่เรามาทั้งโภไคยจิโคต้องการตัวเองปัจจัยสีเพื่อบำบุญบริเวณรูปตัวเองเราตัวเองก็รูปร่างกายสังขารตัวเรานี่ะรูปร่างกายสังขารตัวเราก็ใช้ทต็ที่กว่าหกสิบปีพอหลังจากนั้นไปสภาพมันก็ชำรุดสุดโทมตามการเวลานั่นคือร่างกายมันกค่อยๆเสื่อ ม, มกค่อยๆถอย ลงไปลงไปเร็วแรงเข็งขาตาจมูกอื่นๆมันก็ค่อยลดน้อยถอยลงไปคุณภาพประสิทธิภาพที่มีอยู่แ ล, และเขากไปแล้วจะรู้จริ ง, รงๆมันเริ่มตั้งแต่เลข5าแล้วเลขสี 4, มันเริ่มแล้วเลขสี 4, มันเริ่มขยายอาณาเขตแล้วทอมใสมือมือก้อนขอดกิวพอเลขสีเข้าไปมันเริ่มขยายทอง ขยายหน้าขยายหลังขยายข้งยายลงลงพุงเนี่ยมันเริ่มบอกอาการแล้วตั้ง เ, เล็กเล็กสีแล้วเล็กห้าเล็กหกนับถอยหลังมันจะแข็งแรงไปกอดเดือยเบิเก้าไม่มีเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้เราอย่างคิดไม่ได้คิดไม่เป็นคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่มันยากลมันลํา บ, บากนะเพราะนั้นการทําบุญ ในชีวิประจำวันจะเป็นเรื่องสําคัญวันวันหนึ่งวันให้เป็นมีพร ะ, ะในใจเราทุกวันวยเพราะยิงเกิดการคบทวนศีลกับตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเราไปดูมาแล้วหลายที่หลายแห่งอย่างที่ไปขึ้นน่อยวันนี้เราดูว่าศีลห้ากับความแตกต่างระบวางข้างบนกับข้างล่าง อันนี้เราไม่ได้ไปเทียเพื่อให้เกิดความแย่ในทางคารู้สึกเพื่อเห็นกันตก่างว่าทางเลือกเขามีน้อยน้อยมากๆทุกเรื่องทางเลือกของชีวิตมีน้อยเรื่องต่อมาหากินน้อยอายชีพน้อยการศึกษาน้อยเนี่ยมันจำกัดตัวอย่างประเทศไอสมควรเกิดดินฟ้าอากาศก็ลำบาก แต่พวกเรามีครอบอยวงหลังสีฤดูไ ด, ด้ครบเลย ก, ลก็เลยเกิดความสบายความสบายมามาก็ลืมความสบายดีแรกเขาไม่ต้องไปดินดน้นรนคนขายไม่ต้องไปต่อสู้กับธรรมชาติเราเข้าใจผิดธรรมชาติที่แท้จริงคือตัวเราตอนนี้เรากำลังต่อสู้กับตัวเรากับตัวเราเองคือท่าสีกับหานี่ เราดูถ้าเสียกันถ้าที่มีอยู่คนสบายไหมมันมีเมตตาเราก็เถื่อ ม, มัมีกรุณาเราก็เถื่อนไหมมุทิตาคนอื่อนไหมมันอุเบกขาคนอื่นได้ไหมแค่สามสีข้อเอามาคิดในชีวิตประจำวันทําไมคนที่มันโหดร้ายขนาดนั้นเพราะเมตตาขาดเมตตาคนขาดเมตตามันทได้ทุก อ, อย่างมันทำร้ายทุก อ, อย่างไม่ได้ตัวมันเอง ไม่มีอะไรทำก็ทำร้ายตัวเองทําร้ายโดยความคิดทําร้ายโดยคําพูดทําร้ายโดยการกระทำนี่คําว่าทําร้ายแต่คำว่าทําร้ายโดยความคิดนี่อะไรก็คิดไปเรื่อยๆคิดได้ตัวเองทุกเรื่องที่มันสบายสบายเรื่องคิดที่มันสบายไม่คิดคิดแต่มันไม่สบายเอาไปคิดคิดอยู่อยงั้นก็เกิดความเครียดอะทําไมมันเครียดเอา วความคิดเราใครเป็นคนสร้างศาสนาของเราไม่ได้ถือพระเจ้านะเพรนักคนที่สร้างความคิดก็คือใครก็ตัวเราว่าเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วมันเกิดแล้วมันไม่ดับมันปุจาจารว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่ดับไม่สามารถที่จะดับความคิดของตัวเองได้หรือว่าหยุดหรือว่าระ ง, งับหรือว่าวางหรืออุเบกขามันไม่ีทำไม่ได้ทาไม่ได้เพราะว่า ไม่เคยอยู่ในกระบวนการความคิดเลยว่ามันเกิดขึ้นยังไงมันตั้งอยู่ยังไงมันดับไปยังไงเกิดขึ้นเหตุเหตุที่มันเกิดขึ้นคืออะไรในขณะที่มันเกิดขึ้นแล้วมันดำรงอยู่มันมีผลอย่างไรต่อร่างกายและจิตใจเรานีนคำมนึงกงได้ตบว่าไม่สบายทุกข์ลำบากเครียดโดยไปถามหาเหตุคืออะไรเราจเอาเหตุหาสาเหตุของมัน ต้นเหตุมันคืออะไรก็มีใครรู้นอกจากเราแม้แต่เราไปหาหมอหมอก็ถามจากเราอยู่ดีเป็นอะไรเจ็บไข้ปวดหัวตัวร้อนเพื่อสันนิษฐานหาสาเหตุมึงเป็นหมอตัดษุโรเองไม่ได้ให้เรานะ่ยเป็นคนบอกหมอหมอเขาถามปวดหัวเออใครรู้เออจุดโฟกัสไปที่หัวทว่ท้อ ง, งอก็โฟกัสที่ท้องอย่างนี้เป็นตน้นอันนั้นก็ตรวจสภาพตามอื่น แต่นี้เป็นต้นก็คือเรา เ, เป็นตัวบอกแสดงว่าเราก็รู้เราเป็นอะไรแต่เราหาสาเหตุไม่ได้เราระ ง, งับดับเหตุไม่ไก็ต้องให้เป็นคุณหมอเป็นคนระ ง, งับดาเหตุคุณหมอก็ให้ยามายาแกา้ยาบรรเทาความหมายเพราะมากนะั่นแก้คือได้เหตไหนบันเทาคือเบาบางลงไม่มีหาย หมวกินครเดียวละหายเลยไม่กลับมาเป็นอีกไม่มีไ ม, Et, ไม่มียาชนะิดไหลเลยไม่มีเลยบางอย่างมันมันรักษาที่กายมันก็จบแล้วบางอย่างต้องรกักษาถึงใจมัน ต, ตึงไม่ตามสาเหตุบางสั่งกายมันหายแล้วแต่ใจมันเป็นแผลมันรักษาไม่ได้เห็นไหมก็มีสองเรื่องกันนี้แหละคัินีเวลา โศกทุกข์ก็แต่ต้องถามให้ละเอียดถามให้ชัดเจนก่อนว่าไอ้เจ้าโศกเจ้าทุกข์ละมันกายหรือใจมันจะได้แก้มันถูกแต่ถ้าเหมาแข่งมาเลยโอ้บอกโ อ, โอ้ไม่สบายไม่รู้อะไรไม่สบายลําบากไม่รู้อะไรลําบากมันก็แก้ไม่ถูกทางริ่มรู้จะเริ่มต้นยังไงชีวิตมนุษย์ก็จะเป็นอย่างนี้แหละไม่รู้ว่าลําบากเลยมันสะสมมานานจนคิดไม่ได้สับสนไปหมด เราจะเริ่มต้นยังไงเพราะะฉนั้นการปฏิบัติธรรมคือการเริ่มต้นแก้ปัญหา mm hmm. พอดหลับหู้รับตาปิดปากปิดตาป็น ค, ค, ค, ความคิดกัรพูดการกระทำมันก็จะลังเข้ามาเราจะได้รู้ความคิดของตัวเองเราคิดอะไรหนึ่งนาทีไม่รู้คิดกี่อย่างออกแก๊ดรีไปเรื่องนี้ออแก๊ดนี้ไปเรื่องนี้ออกกน เ, นเห็นไหมสังขารมันทำนาทีปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลา ปรุงให้มันสุกปรุงให้มันทุกข์ปรุงให้มันเฉยๆอยู่ตลอดเวลาแต่เราเข้าไม่ถึงตัวนี้เราได้เห็นแค่รูปบอกว่าทุกข์ก็รูปนี่แหละแต่เวทนาสัญญาสังขารทำหน้าที่แล้วตามไม่ทันมองไม่ทันเวทนาคืออะไรเวทนามันสุขมันทุกข์หรือว่าเฉยเฉยก็ไม่รู้ที่มันสุขมันทุกข์มันเฉยเพราะอะไรเพราะเพราะมันจําว่าอย่างนี้มันลําบากจํำว่ามันสบาย มันเนี่ยมันเฉยๆที่มันจำเพราะอะไรมันสังขารมันปรุงแต่งมันจินตนาการเดีย๋ยวมันสมองแล้วเกิดการรับรู้ขึ้นมาแค่นี้เองสรุปคือทั้งสุขและทุกข์เนี่ยเราเป็นคนสร้างขึ้นมาเองเราคือความคิดสร้างเสร็จแล้วความคิดถ้าอยู่ในอยู่ในลาขั้นตอนของคิดไม่เป็นไรมันไม่ทําลายคนอื่นทําลายตัวเอง ระรับคําพูดอลํา บ, บากแล้วมันจะทําร้ายคนอื่นนะถ้าควบคุมไม่ได้ถ้าไปปล่อยออกไปแล้วมันควบคุมตัวเองไม่ได้ทําร้ายคนอื่นสุดท้ายทำร้ายคนอื่นแค่วาจาแค่คําพูดคือทำร้ายจิตใจไปสร้างศัตรูพูดยังไงก็ยังไม่เป็นไรยังไม่ลงมือถ้าเกิดการการะทำคําคิดคำพูดการการะทามาเนื่องจากกรรมมาเป็นกรรมจริงๆกรรมหนักเลย จนตำร้ายร่ากายสืบการทางการค่าแกงกันนี่เป็นต้นนี่เรียกว่ากระทำสามเรื่องแค่ น, นี้แหละเราจะเห็นว่าโอ้ความคิดการพูดการกระทำนี่สาคัญมากมากไม่ใช่ำทำกันธรรมาดามันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากสามอย่างแค่ น, นี้แหละแต่เราควบคุมไม่ได้ไอ้ถึงเรานี้โอ้ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องอื่นสอนตั้งวันทั้งคืนก็มีประโยชน์ บไม่ใช่ัตถีเปลี่ยนแปลงของคิดได้เป็นแปลงวายจาได้เป็นแปลงการการะทํำของตัวเองได้ทั้งสามอย่างนี้พวกอาจารย์ใช้คำว่ากรรมไม่ได้ว่าเป็นเจ้า ก, กรรมนายเวร น, นั้น น, นี่ที่เราเข้าใจกันเนี่ยคือเราเราคือเจ้ากรรมนายเวรเราเป็นโรงงานเราเป็นเจ้าของเราเป็นโรงงานเราเป็นผู้ผลิตเองทุกอย่างเราผลิตขึ้นมาเอง เกิจามันสบองเราท่านนั้นเราเป็นเจ้าของโรงงานผลิตสินค้าออกมามาดูที่ว่าผลิตของดีหรือของไม่ดีแต่คิดดีกับผลิตวัตถุดีออกมาดีแต่คิดไม่ดีกับผลิตของไม่ดีออกมาของที่ไม่มีประโยชน์หรือประโยชน์มันน้อยแต่เรามีเจ้าของโรงงานเราเลือกได้เลือกผลิตดีก็เลือกได้คือคิดดีก็เลือกได้พูดดีก็เลือกได้ทำดีก็เลือกได้แต่เราทําไมไม่เลือก เรากําลยไปตำหนิตัวเองหรือแม่แตไปตําหนิคนอื่นเขาซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดคําพูดการกระทําของคนอื่นไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยแต่เราก็ไปทุกไปทุกกับคนอื่นเขาคนนั้นพูดอย่างนั้นคนนั้นคนนั้อย่างนั้นมันเป็นเรื่องของเขาทั้งนั้นการปฏิบัติธรรมการดูตัวเองนี่ชัดเจนดูอะไรดูความคิดของตัวเองนี่แหละ ตัวคำพูดตัวการกระทำตอนนี้ก็คิดอะไรคิดสุขคิดทุกข์ดูเฉยๆท่านจึงให้คำบริกรรมเพื่อให้ลืมสิ่งเหล่านี้ชั่วคราวโดยการกำหนดโดยการนับเลขก็ได้โดยการกำหนดพุทโธธรมโมสังโฆก็ได้สมาอาหารก็ได้ดูลองหายใจก็ได้เพื่อให้ลืมสิ่งเหล่านี้เพื่อให้โฟกัสกับสิ่งเหล่านี้จะได้ไม่คิดหลายเรื่องในเวลาเดียวกัน นี่เป็นแนวทางการจิตสงบจก็จกะจมุ่งปฏิกรสบเพราะมีเรื่องเดียวที่จะต้องคิดตั้งคิดหลายเรื่องมาเจาะจงเรื่องเดียวเลยจะคิดเรื่องอะไรก็ได้ปุถุตโมสังโฆสมาอาหังหัลมหายใจอะไรก็ได้เรื่องเดียวนี่แหละจิตสงบก็อยู่กับเรื่องเดียวในขณะที่อยู่กำลังอยู่เรื่องเดียวมออันไปก็คือธรรมชาติมันก็จะได้รู้นี่เขาเรียกว่าสติสิ่งที่เราต้องฝึกต้องตรงนั้น่ะเรามีสติ ส, สติไม่อยู่กับตัวลําบากกัจะพูดไปเรื่อยกปอยากพูดอะไรก็พูดคิดอะไกคิดอยากทําอะไรก็ทำํำคนมีสติน้อยจะบอกไม่มีสติเลยคงไม่ได้เหมือนเราเหมือนคนเราทุกคนบอกไม่มีสดังะมันเป็นคําอุปมาอุปไ ม, มยียดเพียงจริงๆล้วสดังมีแต่มันน้อยมันทําอะไรไม่ได้ <segundo> เหมือนสติเหมือนกันทุกคนมีสติหมดไม่มีใครมีสติแต่มันน้อยมันทําอะไรไม่ได้ มันกิไม่สามารถที่จะเกิดปัญญาได้หลังแต่เราฝึกนะเพื่อให้เกิดสติปัญญาวันนั้นวันนี้ไปวันพระไอ้วันที่เรามาเข้าวัดฟังธรรมจำสิ่งภาวนาฟังสิ่งที่ดีๆนี่เปลี่ยนเพื่อให้เปลี่ยนความคิดของตัวเองเราพูดสิ่งที่ดีๆคือกล่าวเอ่ยถึงไหวพระสิ่งที่ดีๆสมาทานสิ่งนี่คือเปล่งวาจาความคิดคําพูดนีคือวาจาคือจํากัด จะพูดกับพูดได้นี่ยนะพูดทางรรมสมาธิกรากรแสดงกรร็จากนี้พูดพูดเด็กถ้าจะพูดก็คือปริยตตนนะว่าอาคารไม่การสัตว์ชีวิตอันนี้คือพูดในสิ่งที่ดีๆผมคิดกับพูดการการะทําอย่างอันนี้นั่งเงียบเรียกว่าการกระทำเรียกควบคุมพฤติกรรมตัวเองถ้าใครทําได้อย่างนี้ในชีวิตปัจจุบันอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ที่บ้านก็ได้แต่มีพฤติกรรมอย่างนี้นี่คือมาดูแบบต้นแบบตัวอย่าง เวลาแก้ไขปัญหาชีวิต ว, ว่าจะแก้แก้งไงก็แก้อย่างนี้แหละแก้ความคิดนี่แหละแก้คำพูดแก้การกระทําเพราะนั้นทันทีที่เราจิตใจเราฟุ้งซ่านอย่างน้อยสุดไปฟังสวดมนตก่อนนึกถึงคําสวดมนต์นึกถึงคำดีดีเพื่อเปลี่ยนความคิดจะได้เปลี่ยนพฤติกรรมได้จะได้ไม่ซ้ําซากแต่คิดอยู่เดิมๆซ้ําๆซ้ำๆซอย่างนีน้จิตมันก็จะจําแต่คิดดีมันก็จําดีคิดไม่ดีมันก็จําไม่ดี เหมือนเด็กเกี้ยวจ้าเกี้ยวเจ้าอย่างนี้ เ, เ, เด็กมันบริสุทธิ์ดูที่เรา้อนถ้าเราสอนมาดีมันก็ดีสอนให้มันเป็นโจรก็เป็นโจรสอนให้เป็นพชื้อค่าก็เป็นเชื้อค่าให้เป็นนักฆ่ามันก็เป็นนักฆ่าได้ตั้งแต่เด็กเราไปป้อนข้อมูลป้อนข้อมูลป้อนข้อมูลมันก็จะจําจําจำจำจา<ำ>จําจิจจจจจจตเราเนี่ก็เหมือนกันเหมือนเด็กเลยแต่ถ้าเราไม่สอนมันเลยคือเด็กปล่อยให้ไปตามธรรมชาติลองดูเกิดมาแล้วไม่ต้องไปเรียนรู้ไม่ต้องไปตั้งชื่อแท้อะไรเลย ถ้าเข้าโรงเรียนเลยจะเกิดอะไรขึ้นดอมมออนาะคตของมันสิจิตของเราเหมือนกันตั้งแต่เกิดมาเลยไมนได้อบรมสั่งสอนดูแลมันเลยแล้วมาันจะเป็นยังไงเราก็มองดูธรรมชาติของคนทั่วไปของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เราผ่านมาในชีวิตสี่เราจิตที่ไม่ได้รับการอบรมเลยไม่รู้จักศินไม่รู้จักธรรมไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปบุจคุณมันไม่มีค่าได้ เพื่อสิ่งอะไรก็ไม่รู้เป็นข้ออ้างไปเรื่อยๆนั่นมันยากเพราะว่าจิตไม่รับการอบรมมันยึ่งเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันๆหนึ่งอย่าลืมอบรมจิตคือสอนไม่มีใครสอนจิตเราได้นอกกับตัวเราเราเท่านั้นที่ควบคุมดูแลจัดการสั่งการนั้นได้ให้จิตดีก็ทําได้ให้จิ ต, จตมันไม่ดีก็ทําได้หรือให้มันเฉยๆวางอรมมันก็ทําได้แต่ว่าสามเรื่องเราไม่เคยเจอเลยในชีวิต เพราะเราไม่เคยฝึกไม่เคยดูไม่เคยหัดไม่เคยปฏิบัติครับเราไม่รู้ว่าสภาพจิตของเราเป็นยังไงเราคือสุขภาพจิตตัวอย่างขึ้นอยู่ตัวแปรมันขึ้นอยู่ตัวเราเนี่ยแหละเพราะนั้นมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเราก็ตามอย่าไปโทษปัจจัยไปนอกอย่าไปโทษสิ่งเว้นต้องไปนอกโทษตัวเราเนี่แหละก็ยังทําดีไม่พอเพราะเราคิดไม่ดีเองเราพูดไม่ดีเองเราทําไม่ดีเองส่วนเรื่องคนอื่นเนาะไปเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา วาต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปแค่นี้ก็จบอขาเรียกว่าอุเบกขาคิดอย่างนี้อะไรจะอุเบกขาคือวางแต่เราไม่เคยคิดอย่างนี้เลยมันก็ไปยึดเอาหมดคนนั้นพูดอย่างนี้ก็ไปโกรธก็เพราะไปยึดไปถือกับพูดของเขามันหลงมัวห่างก็เพาไปยึดไปถือพูการกระทําของเขามันแค่นี้เองเกิดความโลภขึ้นมาก็เพราะมันเห็นมันอยากได้ มันอยากมีมันอยากเป็นนี่คือโลภะมันเกิดขึ้นอารมณ์มีแค่นี้นะเมื่อมันไม่ได้มันเกิดเป็นทุกข์มันอยากมีมันไม่มีมันก็เป็นทุกข์อยากเป็นมันไม่เป็นมันก็เป็นทุกข์ทุกข์ขะอยู่เนี่ยมันเป็นทุกข์แล้วเป็นยังไงมันอยู่ไม่ได้ทนไม่ได้ถ้ามันเกิดขึ้นกับคนใดก็ตามรับสภาพไม่ได้จะแปลว่าทุกข์ขะเป็นวยากลำบากทนไม่ได้ดูอย่างนั้นไม่ได้จะไปลว่าเป็นทุกข์ไม่ได้ไปว่ามันสบายใจไม่สบายใจ ท, ที่เราไม่สบายเพราะมันทนอยู่างนไม่ได้อันนี้คือมาอว่าทุกขา่าช่วยสุขขาสบายไว้สบายก็หลงลืมเพลินมันลืมไปเลยกลายเป็นลืมลืมทําความดีสุดท้ายแม้แต่ตอนนี้ก็ลืมนี่คือโมหะมีคําว่าหลงไม่ได้แปลว่าลืมมันหลงที่จะทำความดีสุดท้ายว่าเวลาใกล้จะลมหายใจเวทนาครอบงำดักดักเข้า จิตใกล้ออกจากร่างเวทนาครองมันอยู่ไม่ได้ถ้าใครไม่เคยฝึกรองรับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เมื่อจิตออกจากร่างแล้วมันจะไปต่ออย่างไงใช่ไหมเจิตเราไม่เคยฝึกเลยไม่เคยซ้อมเลยมันเคยซ้อมว่าเออวันหนึ่งเราตายนะลองสมมุติวันวันหนึ่งลองสมมติด้มั้เร็วบทบาทสมมุติว่าสมมติเราลอยแต่ร่างแล้วจิตมันไปไหนต่อ ไอ้จิตตโ น, นมัติถืออะไรไปมันยึดอะไรไปเอาอะไรไปมันไม่มีสตุงสตังเลยเหมือนเราเดินทางออกจากบ้านแล้วไม่มีสตังเลยจะไปไหนต่อทีนี้แต่กระเป๋า ม, มีสตังเลยจะ ก, งงกินยังไงเดินทางยังไงแต่ถ้าออกจากบ้านแล้วอุ่นใจในกระเป๋า ม, มีสตังเรียกว่าซั์สตังเรียกว่าซัพย์โลคิยะรัพย์กับอริยะทรัพย์สําคัญ ทุกวันเราใช้โล ก, กียะทรัพย์คือทรัพย์ของโลกแต่อริยะทัพย์นะเมื่อมันเราไม่มีโล ก, กียะทรัพย์มันใช้เฉพาะโลกนี้นะคือบอกชัดเจนว่าโล ก, กียะคือใช้เฉพาะโลกนี้อริยะทรัพย์เนโลกหน้าคือโลกต่อต่อไปถ้าไม่มีทรัพย์ภายในคืออริยะทัพย์เลยเราจะใช้อะไรมือปล่าเท้าปล่าไปเปล่ า, ล า, ล า, ลาเห็นคนกินอยากซื้อก็ซื้ อ, อไม่ได้เห็นคนกินของขายของมันนะเพราะว่าหลังจากนี้ไปสวยนะ ไปเสวยไม่ได้ไปสร้างอะไรเลยสร้างอะไรไม่ได้เพราะเราเหลือแต่ขันสี่กันห้ามันไมมีแล้วมันทําอะไรไม่ได้ก็ไปเสวยเหมือนเรานอนหลับฝันไปมันเสวยจินตนาการเห็นนั่นเห็นนู้นเห็นนู้นป้ายเรยเปลี่ยวเรากินก็กินกินเหมือนกันกินนอนหลับนอนเที่ยวเห็นนั่นเห็นนู้นเห็นเหมือนกันหมดแต่นั่นคือขันสี่นะมันไม่ใช่ขันห้านะมันไม่ใช่ว่าถุาะละทอนปล่อยวางรูปร่างกายสังขารท่าสีขันห้านี้ได้ ดังนั้นโลกมนุษย์นี่เท่านั้นที่จะละตอนปล่อยวางธาสี่กันขนานี้ได้โลกอื่นไม่มีไปเสวยเท่านั้นเพราะเรือแต่ขันสี่คือรูปกับอารูปเท่นั้นเองอติดตามรงไปแต่ที่สำคัญ ก, ก็คืออริยทรัพย์สําคัญมากมากในสังคมธรรมดานั่นคือต้นทุนที่จะต่อไปขนาดถ้าไม่มีเลยลําบากถ้าไม่มีต้นทุนเลยกลับมาเป็นยังไงเราก็เห็นอยู่กลับมาทําอะไรไม่ได้เลย ที่เราเรียกกันมูมากาไก่จ้างมาวบควายต้นตุนขอน้อยสติปัญญาก็น้อยปัจจัยสี่ไม่ต้องพูดถึงเลยที่เราเรียกร้องเราหากันทั้งชีวิตปัจจัยสีสหรับพวกนั้นเขาไม่ต้องพูดถึงเลยเสือ้อผ้าอ่อนไม่ต้องถามหาบานช่องหอมไม่ต้องถามหาอาหารการกินมีอะไรก็กินไปตามธรรมชาติยารัารกษาโรคทุกวันก็ยังดีเรียกร้องบาลัตว์ แต่ถ้าเป็นโดยทั่วไปโดยพหุไม่มีเห็นไหมปัจจัยสีไม่ต้องพูดถึงเลยกับสิ่งสาระสัตว์เหล่านั้นเราถึงเราโชคดีความเป็นคนความเป็นมนุษย์เรามีพร้อมทุกอย่างแค่อย่างเดียวคือคิดให้เป็นแล้วก็วางให้เป็นอันนี้คเป็นเรื่องสําคัญแต่ยังคิดไม่เป็นก็คอนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เข้าไว้คือประรตนาใจแต่ทําทไม่เป็นก็นี่คือเรามาระวังเรื่องสิ่ห้า มันจะช่วยเราได้คือลดภาระลดเวรลดกรรมที่เรานี้อยู่ได้เยอะมากๆเลยเพราะที่เราทำอยู่ห ร, รือบุณอาจารย์ที่ทำมาที่ปฏิบัติมาคือไหว้พระสวดมนต์สมาทานศีลฟังธรรมจาศีลภาวนานีน่คือทางเดินของชีวิตของพวกเราถ้าเราไม่เดินทางนี้ยากนาคนต้องบอกว่ายากเลยจิตใจแรงลําบากนะอันนี้เป็นวันพระทํามใจเป็นพระอันนี้เป็นวันมง ค, คล ก็ทำให้เป็นรื่องเป็นมงคลคิดก็คิดทำเป็นเรื่องมองคลพูดก็เป็นเรื่องพูดที่เป็นเรื่องมองค ล, งคลการกระทําว่ากระทำทีเป็นเรื่องมงคลมงคนดูสิ่งดีดีก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราเราก็จะมีมงคลในชีวิตขอให้วันนี้เป็นวันมงคลเป็นวันดีสําหรับพวกเราทุกคนขออุบาตนาความดีที่พวกเราทั้งหมดในวันนี้จะาภาพกับปาะธานก็ดีหมอนเอนคนอื่นอื่นที่มาร่วมพวกเราทั้งหลาย ที่มาร่วมมาฟังธรรมจำศีลภาวนาในวันนี้อย่าลืมฟังเสร็จแล้วอย่าลืมอุทิศโดยเฉพาะเจาะจงความดีในวันนี้ให้กับบรรพบุรุษของพวกเราคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีบุญทั้งหมดขอให้ท่านเหล่านั้นจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญของพวกเราทั้งหลายที่ได้กระทาบาร็ีนในวันนี้